สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเะเยซูตอนที่สี่ร้อยแปดสิบแปดท่านอยู่ที่ใดเมื่อเขาตรึงพระเยซูเพียงครับในพระจนาพระเจ้าของพระตริคุณทั้งสี่เล่มมัทธิวมารโกลูกาย่อนั้นทำให้เราได้เห็นว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งครับ ที่อยู่กับพระเยซูเมื่อเขาตรึงพระเยซูที่ไม่กันเขน็นในพระธรรมมัทธิวได้พูดถึงแมรีมัก์กาลาแมรีแม่ของเจมและโยเซฟและแม่ของบุตรเสเบดีอันนี้พูดถึงแมรีที่เอ่ยชื่ออยู่สองคน และก็มีผู้หญิงที่เป็นแม่ของบุตรเสบดีในพระรมมารโกได้กล่าวถึงแมรีมั ก, การาแมรีที่เป็นแม่ของเจมส์และโจเซสและมารโกนั้นได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางซาโลเมในพระดรมยอห์นได้บันทึกมากยิ่งกว่านั้นอีกครับ และบันทึกถึงแมรีคุณแม่ของพระเยซูเองไม่เพียงแค่เท่านั้นยังมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแมรี o ออฟโครพัสแมรีออฟโครัสไม่เพียงแค่เท่านั้นยังกล่าวถึงผู้หญิงที่เรียว่าแมรีซึ่งเป็นซิสเตอร์ออฟแมรี m o t h e r of ออฟยจีสคือน้องสาวคุณแม่ของพระเยซูสรุปแล้วผู้หญิงทั้งหมดที่อยู่กับพระเยซูถ้าพูดถึงทั้งสี่เล่มเอามาประกอบกันเราจะพบว่าประมาณอยู่เจ็ดคนด้วยกัน แต่สำหรับนักวิชาการเขาก็ได้มีความคิดในแง่ของอาจจะมีการกล่าวหรือเอย่ยชื่อของผู้หญิงเหล่านี้ซ้ำกันในพระคัมภีร์แต่ละตอนเมื่ออ่านและค้นคว้าเราพบว่าสรุปแล้ว มีผู้หญิงจากเจ็ดอาจจะเหลือสามก็คือกล่าวได้ว่ามีผู้หญิงอย่างน้อยสามคนอยู่กับพระเยซูเวลาที่เขาตื่นพระเยซูผู้หญิงคนแรกก็คือมารีมารดาของพระเยซูผู้หญิงคนที่สองก็คือมารีชาวมักการาที่มีผีเข้า และพระเยซูรักษาเขาส่วนผู้หญิงคนที่สามก็คือน้องสาวของแม่พระเยซูก็คือมารีพูดเป็นภรยาของกิโยพัสพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือมีผู้หญิงอย่างน้อยสามคนอยู่กับพระเยซู คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงอยู่กับพระเยซูได้คำตอบก็คือผู้หญิงเหล่านี้รักพระเยซูคำว่ารักที่นี่ไม่ได้หมายความเป็นความรักแบบหนุ่มสาวแต่เป็นความรักเพราะเหตุที่ผู้หญิงทั้งสามคนมีประสบการณ์กับพระเยซู มีประสบการณ์ที่พระเยซูนั้นได้รักเขามีประสบการณ์ที่พระเยซูได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เขาเห็นมีประสบการณ์การรับคำสอนจากพระเยซูมีประสบการณ์ในการติดตามพระเยซูมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางมารีมารดาของพระเยซูก็รู้จักพระเยซู ก่อนที่พระเยซูจะเกิดมาในโลกนี้พี่น้องครับใครก็ตามที่ติดตามชีวิตพระเยซูติดตามพระเยซูติดตามการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของตนเองก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพระองค์นั้นทรงพระชนอยู่จริงพระองค์ทำการอศัศจรรย์และทรงนำชีวิตของเราได้ พรงเป็นผู้ที่สูงสุดที่เราควรจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ที่มีต่อเราด้วยการรักพระองค์ด้วยการไม่ทอดทิ้งพระองค์ด้วยการอยู่กับพระองค์ในขณะที่ผู้หญิงทั้งสามอยู่กับพระองค์ในยามหรือในเวลาที่พระองค์ต้องการพี่นะครับเราคงไม่ลืม พระเยซูได้กล่าวไว้แม่ง เ, เขนกล่าวไว้เม่ง เ, เข็นว่าพระบิดาเจ้าค้าเหตุชไหนจึงละทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุชไหนจึงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียในจุดที่พระเยซูได้ถูกตัดขาดออกจากพระบิดานั้นพระเยซูอยู่กับสาวกที่พระองค์ทรงรักก็คือยอน และผู้หญิงอีกอย่างน้อยสามคนที่อยู่ที่นั้นทั้งสามคนนี้เห็นอะไรครับทั้งสามคนนี้เห็นพระโล uh หิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่หลั่งไหลบนไม้กงเขนกับยอนก็ได้เห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกันยอนนี้คือบุคคลที่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระองค์ทรงรัก เขามีความถ่อมใจเพราะเขาไม่อยากจะเขียนชื่อของเขาลงบนพระสิริคุณยอนเขายังเรียกตัวเองว่าสาวกที่พระองค์ทรงรักกับผู้หญิงสามคนที่ได้กล่าวไปแล้วคนเหล่านี้มีประสบการณ์ที่ได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้า ได้ชิ้นพะชนบนไม้กางเขนสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือคำถามของผมคือคุณเห็นพระเยซูเราเห็นพระเยซูเราอยู่ที่ไหนเมื่อเขาตึงพระเยซูพี่น้องครับทุกครั้งที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพิธีที่ทำให้เราต้องระลึก ถึงพระเยซูพระเยซูได้หยิบขนมปังทรงหักแล้วทรงยื่นให้สาวกและตรัสว่านี่คือกายของเราคําว่ากายของเรานั้นมีความหมายถึงพระกายของพระเยซูที่ได้แตกสลายที่ได้ถูกเคี่ยนตีที่ได้ถูกหักออกแบ่งให้กับคนอื่นก็คือ ความรักชีวิตนิรัน์ที่จะต้องถูกแบ่งออกไปพระกายของพระเยซูนั้นยังมีความหมายเล็งในฝ่ายจิตวิญญาณก็คือหมายถึงคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเรารับประทานขนมปังเราก็กลายเป็นอเววะในพระเยซูคริสต์เราก็กลายเป็นการเข้าส่วนในคริสตจักรของพระเจ้า ก็คือพระบรากายของพระองค์นครับสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ทําให้ทั้งหลายจะได้รับมหาสนิดศักดิ์สิทธิ์ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพยำเกรงและเต็มไปด้วยความหมายที่เรารู้จากพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เองทําให้การรับพิธีมหาชนิดศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ยืนอยู่ ใต้ไม้กางเขนเหมือนกับผู้หญิงสามคนและยอนด้วยเหตุที่เองทําให้การรับพิธีมหาสนิจสิทธิ์ทุกครั้งที่เรารับคิดเสมอครับว่าเรากําลังอยู่ที่นั่นเมื่อเขาตึงพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนท่านคิดว่าผู้หญิงทั้งสามคนและยอนจะเห็นอะไรครับ ตั้งแต่ศีรษะของพระเยซูตรลดปลายเท้าไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีรอยเลือดไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีความเจ็บปวดทุกๆุกร่างกายทุกๆุกแผลทุกๆุกอวัยวะของพระเยซูได้ถูกทรมานได้ผ่านความ เจ็บปวดมาแล้วทั้งสิ้นและด้วยเหตุนี้เองทำให้เราทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราควรจะต้องตอบสนองต่อความรักของพระองค์บนไม้กางเขนด้วยการรักพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการรับใช้พระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการยอมเสียสละความสุขส่วนตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ต้องการ และรับใช้พระองค์ด้วยความเต็มใจด้วยการตอบสนองต่อความรักในขณะที่สาวกคนอื่นๆทิ้งพระเยซูไปยอนไม่ได้ทิ้งผู้หญิงอีกสามคนซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศอ่อนแอไม่ได้ทิ้งเพราะเหตุเขารักพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรักพระเยซู อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและอย่างที่เราปรารถนาจะตอบสนองใครก็ตามที่รับพระคุณมากรับความรักมากคนคนนั้นจะต้องตอบสนองต่อพระองค์มากอาเมน